จเจริญพรทุกท่านอาหารอร่อยัหมพวกพี่ๆที่เขาจัดที่นี่นะก็ น, นิมนต์ไปดูเขาขยายกิจการโลกทานไม่นิมนต์ไปฉนะันหรอกนะนิมนต์ไปเดินดูดูพวกเรามีความสุขเชียวกันตุ้ยตุย ตื่นเช้ามาวันอาทิตย์นะได้ตื่นเช้ากว่าปกติแล้วก็ไม่มีภาระอะไรมากสดชื่นไม่กินอาหารฟรีซะองอร่อยเสร็จแล้วก็มาฟังธรรมกว่าเราจะฟังได้ฟังเนี่ยเราก็อาศัยคนจำนวนมากช่วยกันแต่เจ้าของสถานที่หมู่บ้านเนี่ยเจ้าของสถานที่ พวกพี่ๆที่เขาจัดพวกน้องๆที่ช่วยกันทำงานนั่งกันเป็นแถวเลยนะพวกที่อยู่ข้างนอกก็มีอยู่ตามถนนคนเหล่านี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราเขาทำโดยหวังว่าธรรมะมันจะมีโอกาสสืบทอดไปเห็นพวกเราได้มาฟังธรรมแล้วนะพยายามตั้งใจให้สมกับความลำบาก ของคนจนํานวนมากที่เขาเสียสละเขาไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เงินได้ทองอะไรตอบแทนสักอย่างเดียวคนตั้งโรกทานทเขาก็ไม่ได้อะไรมุ่งเอาบุญมุ่งให้พวกเรามีแรงที่จะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมงั้นพอเราได้รับความอนุเคราะห์แล้วเราก็ได้ใช้ประโยชน์นะล้วก็ ส, สร้างคุณงามความดีขึ้นมาตั้งใจฟังธรร ม, ม ได้ฟังทำมาก็เป็นบุญนานหนึ่งละ่ะได้ฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปเท่าที่หลวงพ่อสังเกต ด, ดูนะในพวกเราที่สาราดุูชินที่มาเรียนกันประจำเนะี่ยเรามีพัฒนาการที่น่าชื่นใจพัฒนาการดีมากนะไปที่ต่างๆเขาก็พัฒนาเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ขนาดที่นี้ที่นี่เรียนกันมานานหลายสิบครั้งและ้ะ บางคนมาทีหลังแต่เร็วกว่าพวกมากดอดก็มีนะพวกมาหลายสิบครั้งบางทีสู้พวกมาครั้งสองครั้งยังไม่ได้เอาแน่ไม่ได้หรอกแลแต่บุญวาสนามันไม่เท่ากันนะแต่เท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูจากพวกเราพัฒนาการของพวกเรานี่พวกเรามาได้ไกลมาได้ไกลมากแล้วถ้าเทียบสมัยพุทธกาลมีพระสูตอยู่พระสูตรหนึ่ง ชื่อรัฐวิณีตร่สูตรเรื่องรถเจ็ดขลับบอกว่าเวลาจะเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งที่ไกลๆนะพระเจ้าแผ่นดินนะขึ้นรถคันเดียวไปนะไปไม่ถึงม้ามันวิ่งไม่ไหวก็ะจะวิ่งนั่งรถคันที่หนึ่งไปนะไปถึงที่จอดก็จอดขึ้นรถคันที่สองวิ่งม้าก็สดชื่นคนละตัวกันเนะี่มา้าเปลี่ยนม้าไปเปลี่ยนรถไปเรนะื่อยคันที่เจนะ็เนี่ยไปถึง เมืองสาเกตอีกเมืองหนึ่งจากสาวัตถีไปเมืองสาเกตธรรมะนี้ก็เหมือนกันนะมันเหมือนรถเจ็ดผลัดในรถเจ็ดผลัดเนี้ยที่หลวงพ่อสังเกตดูพวกเรานะเราอยู่ในรถผลัดที่หกส่วนใหญ่นะเห็นแล้วน่าชื่นใจอันนี้ไม่ได้พูดเราเอยาอบางคนยิ้มหวานเลยขั้นที่หกแล้วเหรอ <c oughs> รถขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่หนึ่ง เป็นเรื่องของศีลศีลวิสุสสทธิเราก็ตั้งใจรักษาศีลให้มันบริสุทธิ์เต็มที่เนทะ่าที่ทำได้แต่เป็นฆราวาสนะจะรักษาให้มันเพอร์เฟกต0รยเซนะยากยากมากนะอย่างปลวกขึ้นบ้านจะ ท, ทำไงอะปลวกขึ้นบ้านจะอูเบกขาเหรอเราจะไปอยู่ที่ไหนบ้านยังผ่อนไม่หมดเลยนะบางคนก็คิดต้องฆ่าปลวกให้หมด อันนี้บาปเต็มๆเลยคิดแต่ว่าเราจําเป็นต้องรักษาบ้านไม่ได้คิดจะฆ่าปลวกนะพยายามรักษาบ้านอนนี้กรรมมันลดลงนะวางใจต่างกันกรรมมันก็ต่างกันแต่ถามว่ามีกรรมไหมก็มีในเหมือนพล้านี่ยี่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้นี้ปลวกขึ้นก็ย้ายไปอยู่ต้นอื่นะก็ไปหนีไปได้ท้างเราหนีไม่ได้อ เมื่อเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีที่สุดนะวิธีรักษาศีลให้ดีที่สุดเนะี่ยหลวงพ่อสอนอยู่แทบทุกคราวเลยคือมีสติรักษาจิตไว้ถ้าเราคอยรู้ทันกิเลส ท, ทั้งหลายที่เกิดที่จิตเรารู้ทันเนะี่ยกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้แล้วศีลมันจะมาเองพวกเราหลายคนทําตรงนี้ได้ล้เวลาที่จะผิดศีลเนี่ยจะละอายใจ ถ้าเวลาจะต้องทำผิดศีลแล้วรู้สึกละอายใจนยะถือว่าใช้ได้แล้วนะถ้าผิดศีลหน้าตาเฉยไม่ละอายเลยเนะี่ยังต้องฝึกอีกมากใจบาปหยาบช้าไปแตะถ้าไม่เจ้านายสั่งว่าใครโทรมาให้บอกว่าไม่อยู่นะอย่างเงี้ยเนี่ยจริงเนี่ยก็ลำบากใช่ไหมแต่ ตั้งใจไว้ตั้งใจคอยรู้เท่าทันใจของเราไวนะ้ถ้าเรารู้ทันกิเลสศีลมันจะดีขึ้นเพราะคนทำผิดศีล น, นะเพราะกิเลสมันครอบงำาันทำได้เต็มที่ตัวต่อมาเรียกว่าจิตตวิสุทธิ์ศีลวิสุทธิ์เนี่ยคนอื่นวัดเรายากว่าเราศีลเราดีแค่ไหนนะเราวัดตัวเองอันที่สองคือจิตตวิสุทธิ์รถตัดที่สองนะ จิตวิสุทธ์เนี่ยคือสิ่งที่หลวงพ่อสอนมากมายไก่กองบางคนนึกว่าหลวงพ่อสอนดูจิตหลวงพ่อสอนหลายอย่างนะแต่ว่าก่อนจะถึงขั้นจเจริญปัญญาไม่ว่าจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็ต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าจิตวิสุทธิ์ฝึกให้จิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยสมาธิไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยปัญญา อันแรกเราควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาของเราให้บริสุทธิ์ด้วยศีลอันที่สองเนี่ยเราควบคุมจิตใจเราให้บริสุทธิ์ด้วยสมาธิวิธีให้มีสมาธิก็คืออาศัยสติอีกแหละคอยรู้ทันความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นกับจิตจิตเราชอบฟุ้งซ่านเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยววิ่งไปทางใจใหรือไปคิด จิตมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปบังคับจิตให้สงบไม่ต้องบังคับจิตให้ตั้งมั่นแค่รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบอัตโนมัติแล้วจิตที่สงบอัตโนมัตินี่เป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างแท้จริง มันมีความเบาเรียกว่าล่าหูตามันมีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวเรียกปากุลตาไม่เฉื่อยไม่ซึมมีความควรแก่การงานคือสามารถเอาไปเจริญสติเจริญปัญญาได้เรียกว่ากรรมัญญตามีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นด้ไปเรียกว่าอุชุกตาซื่อ ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะขณะนั้นรู้ตื่นเบิกบานในจิตชนิดนี้แหละอาศัยสติรู้ฐานจิตที่เคลื่อนแล้วก็จะได้มาพวกเราจานวนมากนะในขณะเ น, นี้เราผ่านตัวนี้แล้วก็จิตใจของเราอยู่กับเนื้อกัตัวแล้วจิตเราถึงฐานจิตเราตั้งมั่นมันไม่ตั้งได้ทั้งวันหรอกตั้งเป็นคราวๆแต่ว่ามันก็ได้รู้จักรสชาติของความตั้งมั่นของจิตบ้างแล้ว รู้สึกไหมจิตของเรามันเดี๋ยวนี้กับตะก่อนเนี้ยต่างกันมากตะก่อนจิตของเรานี้ไปคลุกอยู่กับอารมณ์แต่เดี๋ยวนี้จิตเราถอยออกมาเป็นคนดูอันนี้แหละคือจิตจิตตวิสุทธิ์นะจิตเราบริสุทธิ์ด้วยสมาธิแล้วบริสุทธิ์ด้วยสมาธิคือมันไม่เจือปนด้วยนิวรณ์ทั้งหลายด้วยความฟุ้งซ่านทั้งหลายนะฟุ้งไปชอบเรียกการมฉันทะฟุ้งไปเกลียดเรียกว่าพยาปาทะ ฟุ้งสเปสสปาเรียกอุทจจะฟุ้งมากๆลาคาญใจเป็นกุกุจจะนีฟุ้งไปแล้วก็ยิ่งสงสัยยิ่งฟุ้งยิ่งสงสัยยิ่งสงสยยังสงสยยิ่งฟุ้งเรียกพิจิกิจฉาฟุ้งมากๆก็หมดเรื่องหมดแรงเรียกถีนมิถะเนี่ยอาศัยจิตฟุ้งทั้งหมดเลยนั้นถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งนั้นนิวรณห้าตัวเนี่ยครอบงําจิตไม่ได้ถ้านิวรณครอบงําจิตไม่ได้สมาธิเกิดเองเพราะว่านิวอนอรณนั่นแหละคือศัตรูของสมาธิ บางคนใช้วิธีเข้าฌานนะเอาอาศัยองค์ฌานไปขม่มนิวรณแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็ข่มได้เหมือนกันนะก็ออกมาที่เดียวกันพวกเราเข้าฌานไม่เป็นเราอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไตรจิตที่ฟุ้งซ่านนี่เราก็ได้สมาธิที่ถูกต้องเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ทรงนานมันอยู่เป็นขณะขณะไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไหลไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไหลไป ดีกว่าคนทั่วๆไปมีแต่ไหลก็ไหลไหลก็ไหลายทั้งวันไหลทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับมีแต่จิตไหลไปหมดเลยใช้ไม่ได้คนในโลกไม่รู้สึกตัวคนในโลกมีแต่คนหลงคนไหลไปนี่พวกเราสามารถตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมารู้เน้รู้นะรตัวขึ้นมาเรียกว่าเราผ่านรถคันที่สองได้ละรถคันที่สเนี่ยชื่อทิฏฐิวิสุท ธ, ธิทิฏฐิวิสุท ธ, ธิคือความเห็น ที่สตร์หมดจดความเห็นที่ถูกต้องบริสุทธิ์คือความเห็นความจริงว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี้ยที่จริงก็คือรูปธรรมกับนมามธรรมแยกรูปแยกนามได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้ที่พวกเราจํานวนมากในขณะนี้ที่บอกว่าแยากธาตุแยกขันธ์ได้นะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนี่กายกับใจแยกกันเห็นความสุขความทุกข์ ความดีความชั่วความจําได้หมายรู้แยกออกไปไม่ใช่จิตอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกออกไปขันมันแยกออกไปไมันจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราในความเป็นจริงแล้วมันเป็นแค่ขันห้ามารวมกันรูปธรรมนามธรรมารูปธรรมมีหนึ่งนามธรรมมีสี่มารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวตรงที่เราสามารถแยกรูปแยกนามได้นี่แหละที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธ มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าจริงๆมีแต่รูปกระนำแต่ใจมันยังยึดถืออยู่ถัดจากนั้นที่ตรงนี้พวกเราทําได้นี่นับจํานวนไม่ท้นวนละมาถึงวันนี้รู้สึกไหมพวกเราแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนาำได้คนทําได้เยอะแยะไปเลยในห้องนี้เต็มไปหมดเลยหน้าตามันจะไม่เหมือนมนุษย์ปกติหน้าตาจะเป็นอมนุษย์นะหน้าตาภาวนาแล้วเป็นอมนุษย์เลยคือเป็นเทพเป็นปลอม ไม่ใช่มนุษย์ปกติหรอกจิตนทรงสมาธิที่ถูกต้องอยู่จิตเป็นเทพจิตเป็นลมจิตของเราสูงไม่ใช่จิตกระจ่างองอแงแล้วเราเห็นธาตุเห็นขันมันแยกออกไปถัดจากนั้นนะบางคนก็เห็นความจริงลึกซึ้งขึ้นอีกความจริงลึกซึ้งก็คือรูปธรรมก็มีเหตุให้เกิดนามธรรมก็มีเหตุให้เกิดตรงที่เรารู้ว่ารูปธรรมไม่ใช่เกิดลอยๆอยนามธรรมไม่ได้เกิดลอยๆ เรียกว่ากังขาวิตรนะวิสุทธ์เป็นรถคันที่4แล้วนะพวกเรารู้สึกไหมว่าความรู้สึกในใจของเรานามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะตามองเห็นเพราะหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเพราะใจคิดนึกมองเห็นไหมอันนี้เนี่ยเรารู้เลยว่านามธรรมามันมาได้ยังไงเกิดมาตั้งอยู่ดับไปได้เพราะอาศัยผัสนาการกระทบกระทั่ง แนะนามาทำทั้งหลายเนี่ยอาศัยภาษาเกิดนะรูปธปรรมเนี่ยบางทีรูปบางอย่างก็อาศัยกรรมอย่างเราเกิดมาเนี่ยได้เป็นมนุษย์มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์อันะนี้กรรมกรรมเก่าส่งผลมาเราได้รูปที่ดนะีรูปบางอย่างเกิดจากอาหารนะรูปอย่างรูปเกิดจากอาหารอย่างพวกเราถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเราก็ตายนะรูปบางอย่างเกิดจากสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมนะรูปบางอย่างเกิดจากจิตอย่างรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยลองพยักหน้าสิเนี่ยรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยจิตเป็นคนสั่งนะจิตเป็นคนสั่งให้รูปอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเป็นคนสั่งให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนจิตเป็นคนสั่งนะเวลาเรามีความสุขหน้าตาเรายิ้มแย้มขึ้นมานะหน้าเราเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะจิตมันสั่งจิตมันมีความสุขเวลาจิตเราโกรธหน้าเราหงิก หน้าเราเครียดหน้าเราดูไม่ได้หน้าแดงเป็นคนตัวสัน่นเพราะอะไรจิตมันสัน่งงั้นรูปเนี่ยอาศัยอาหารบ้างอาศัยกรรมบ้างอาศัยสิ่งแวดล้อมบ้างอาศัยจิตบ้างนะหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงให้เกิดมานะทำให้เกิดมารูปแต่ละชนิดพอเกิดมาแล้วเนี่ยมีอาหารหล่อเลี้ยงมีอะไรหล่อเลี้ยงอยู่เป็นของชั่วคราวนเป็นเพียงของชั่วคราวเท่านั้นเองนะ ผัสสะเกิดขึ้นก็เกิดแป๊บเดียวมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวนะมีอะไรๆก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยพอเราเห็นพวกเราเห็นไหมโดยเฉพาะพวกที่ชํานาญการดูจิตดูใจนะ่าจะจะเห็นเลยว่าพอมีผัสสะจิตก็เปลี่ยนใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจกบบระทอมารลมจิตก็เปลี่ยนเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมถ้าเห็นขึ้นรถคันที่สี่แล้วลอยลนะเห็นไหมมีเจ็ดคันเองอะ่ะเจ็ดนี้นะเจ็ดเนี่ยถึงมรรคผลนิพพานนะเนี่ย ขั้นที่5้าเนี่ยเรียกว่ามัคคามัคญาทัศนาวิสุทธ์ชื่อยาวชื่อยาวสักวานหนึ่งมาจากคาว่ามัคกามัคมัคคามัคคะคือมัคกามัคทางกับไม่ใช่ทางมีปัญญามีความบริสุทธิ์นะด้วยปัญญามองเห็นว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางตรงที่เราแยกรูปแยกนามได้นะเราเห็นว่ารูปนามทั้งหลายมีเหตุก็เกิดขึ้นมานะเราจะค่อยๆดูลงไปเราจะเห็นว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะตรงที่เราเห็นตรงเนี้พวกเราเห็นได้เยอะเลยตอนนี้ขณะนี้พวกเราเห็นได้เต็มไปหมดเลยถึงในขั้นนี้นะนี่พอเห็นแล้วบางทีสมาธิเราไม่พอจิตเราเคลื่อ น, อ อ, นออกจากฐา น, นเดยเฉพาะอย่างพวกดูจิตเนี่ยอย่างเราดูกิเลสนะกิเลส จ, จะเคลื่อนหนีไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ตามดูไปส่งจิตตามดูไ ป, ไป กิเลสมันดับไปปุ๊บจิตเราค้างอยู่ข้างนอกเลยไปว่างไปสว่างอยู่ข้างนอกที่หลวงพ่อเรียกว่าจิตไม่เข้าฐานตัวนี้เป็นวิปัสนนะปสนูนะวิปัสสนูเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ใช่ทางนะวิปัสสนูคือสิ่งที่ไม่ใช่ทางนะคํงาคว่ามักขามักขายานทัศนีสุดก็คือรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางวิปัสสนูเนี่ยไม่ใช่ทางวิปัสนาถึ่งจะเป็นทางวิปัสนาคือการที่เรามีจิตตั้งมั่นอยู่มีสติะระลึกรู้ ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามอย่างนี้ยใช้ได้แต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตเคลื่อนออกจากฐานไปนะไปดูรูปจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่รูปเช่นไปดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนะไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจนี่เรียกว่าจิตไม่เข้าฐานจิตเคลื่อนนะแล้วพอไปเดินปัญญาด้วยจิตเคลื่อนเคลื่อ น, นะเป็นเดินๆได้นิดหน่อยนะมันจะว่างไปเลย หรือบางทีเกิดความรู้สึกเพี้ยนๆไปเลยว่ากูเป็นพระอราหันต์ไปแล้วหรือบางทีสติเข้มข้นมากเลยมองดินฟ้าอากาศเห็นเป็นจุด ๆ, ๆไปหมดเลยมันแยกแยะได้ละเอียดยิบไปหมดเลยเห็นทีคนนี้ยแยกออกมาเลยนี่กำลังที่สติที่กล้าแข็งเกินไปผิดธรรมดาวิปัสสนปกิเลส10ประการนะบางทีมีปัญญามากไปธรรมะถ่ายทอด มาสู่จิตเนะี่ยทั้งวันทั้งคืนรู้ธรรมะตลอดนะไหลๆห ล, ห ล, หลออกมาบางคนก็ฟุ้งในธรรมะอยากพูดพอจะไปตรึกไปคิดธรรมะอะไรได้นะอยากอยากพูดให้คนอื่นฟังพวกเราใครที่ภาวนานแล้วอยากสอนคนอื่นบ้างมีไหมใจมันคันทนไม่ไหวอยากพูดอยากสอนมากเลยไปดูให้ดีนะส่วนมากวิปัสสนูออกไปกินนะเพราะวิปัสนาเนี่ยสอนตัวเอง วิปัสสนูเนี่ยอยากไปยุ่งกับคนอื่นเขาคิดว่าตัวเองอันนี้พ้นแล้วหลุดแล้วนะอยากจะช่วยคนอื่นให้ไปด้วยอนะไรเงี้ยเวลาพวกปัญญามากมากนะวิปัสสนูเกิดแล้วปัญญาเกิดนี่นะบางทีมันอยากสอนคนอื่นบางทีโทรศัพท์ไปตีสองตีสามนะไปเรียกเพื่อนนี่เธอฉันเข้าใจธรรมะตรงนี้แล้ ว, ลวเธอนะเพื่อนก็บอกฉันก็เข้าใจเหมือนกันว่าโทรสับเป็นยังไง วิปัสสนูสิบอย่างก็จริงนะแต่ถ้าจิตถึงฐานแล้วก็สิบอย่างก็สิบอย่างเหอหายหมดเลยพระอนนเนี่ยท่านเรียกคนไทยเรียกพระอนนนะถ้าบาลีจริงๆเรียกพระอนันตอนันท ะ, นะพระอนนท่านบอกว่าถ้าเรียกวิปัสสนูนะว่าธรมมุตัตจักความฟุ้งซ่านในธรรมสิบประการ วิธีที่จะพ้นจากธรมมุทัต จ, จากก็คือจิตตึงฐานนั่นเองถ้าจิตมีสมาธิเพียงพอนะรู้ตัวตื่นเต็มที่พิปัสโนสิบอย่างก็สิอย่างเถอะหายหมดเลยนะพวกเราใครเคยเห็นตอนที่จิตไหลไปว่างๆอยู่ข้างนอกบ้างแล้วรู้ว่าจิตออกนอกแล้วมันกลับเข้ามาหาตัวเองไดนะ้ตรงนั้นแหละเรียกเรารู้แล้วว่าอันไหนเป็นทางอันไหนไม่ใช่ทางเมื่อไหรจิตออกนอกเมื่อนั้นไม่ใช่ทางเมื่อไรจิต ตั้งมั่นแล้วก็มีสติเห็นรูปนามเกิดดับไปนั่นแหละทางนะคนที่ผ่านวิปัสสุกิเลสแล้วเนี่ยนะผ่านวิปัสสุภิกิเลสไปแล้วเนี่ยเรียกว่าผ่านรถขันเนี้ยเรียกว่ามรขามรขายานทัศนวิสุทธ์มร ก, ก็คือวิปัสสนานะม์นะมรคือทางอมร ก, ก็คือวิปัสสุภิกิเลสพอแจมแจ้งในวิปสัสสุโหจิตไม่เข้าฐานนี่เองวิปัสสุเกิด ถ้จิตตับเข้ามาเข้าฐานได้วิปัสสนูหายนี่ทางอยู่ตรงนี้ทางอยู่ที่จิตตั้งมั่นถึงจิตจริงๆมีสติะระลึกรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางที่หลวงพ่อสอนเรื่อยๆว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจําได้ไหมประโยคนี้ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องสอบตกนะเรียนกับหลวงพ่อแล้วไม่รู้จักประโยคนี้ก็เฉยแหลกเลยเหมือนกับเรียนจากหลวงพ่อพุทธนะ แล้วไม่รู้จักคําว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดจิตไม่รู้จักเนี่ยก็เรียงแบบไม่เอาไหนเลยหรือเรียนจากหลวงปู่ดูลไม่รู้จักคําว่าจิตออกนอกนียก็ไม่เอาไหนเลยนะงั้นพวกเราจํานวนมากนะที่จิตมันเข้าบ้านนะมันรู้เลยว่าถ้าไหลออกไปข้างนอกนะแต่เดิมไหลเราไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนูเกิดต่อมารู้ทันว่ามันเคลื่อนออกไปแล้วอย่างนี้ก็กลับเข้ามา เนี่ยผ่านรถคันที่เท่าไหร่ละคันที่หเห็นไหมัห้าคันแล้วนะพวกเราจำนวนมากบอกให้ก็ได้พวกเราจำนวนมากผ่านแล้วนะส่วนคนที่มาฝึกใหม่ๆเขาก็ยังขึ้นรถคันที่4ี่คันที่หกันอยู่นะยังยังไม่ผ่านคนะันที่6นะชื่อปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิมีความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเนี่ยนะในการดำเนินไป เวลาที่เราดาเนินไปนะถ้าเราดาเนินมีศีลนะมีสติคุ้มครองจิตเรามีศีลมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนได้สมาธนะิวันไหนจิตฟุ้งซ่านทาสมาธิทำใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทำใจให้มีความสุขมีความสงบตอนไหนมีความสุขมีความสงบแล้วเจริญปัญญานะเห็นรูปเห็นนามสแสดงใจรักเรื่ไปนี่คือวิธีปฏิบัติ เรียกว่าปฏิปทาอย่างทัศนวัวิสุทธิ์มีศีลปฏิปทามีสมาธิมีการเจริญปัญญาพวกเราจำนวนมากนะที่มาถึงตรงนี้แล้วพวกเรารักษาศีลพยายามรักษาพวกเราปฏิบัติในรูปแบบพยายามทําทุกวันวันละเล็กปาละน้อยกนะ็ทํำเพื่อให้จิตมีกําลังของสมาธิแล้วก็เราก็เจริญปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ นะเกิดความเคลื่อนไหวในกายเกิดความเคลื่อนไหวในใจอะไรคอยรู้ค่อยเห็นก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะตรงนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติเรียกเป็นปฏิปทาปฏิปทาของพวกเราเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วนะดีบ้างหย่อนบ้างแต่ละคนไม่สม่าเสมอกันคนไหนรู้สึกตัวว่าขี้เกียจบ้างยังขี้เกียจอยู่ยกมือซีย พวกขี้เกียจคิดไหมว่าเรายังไม่ตายวันนี้ชีวิตเรายังอยู่อีกนานรู้สึกไหมเนี่ยพวกขี้เกียจเพราะรู้สึกอย่างนี้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้จะไม่ขี้เกียจหรอกจะรีบขยันเลยเกิดตายไปแล้วนะกว่าจะกลับมาเกินหลวงพ่อประโมทมรณาภาพไปแล้วซนะีดีก็พังไปหมดแล้วหมดอายุไขจะไปฟังอะไรหล่ะคราวนี้ ตอนนี้ต้องคลำกันอีกนานเลยนะต้องนานในหาทางจะไปยังไงจะไปยังไงแต่ตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ได้แล้วนะเราเห็นรูปนามเกิดดับได้แล้วนะตั้งใจรักษาศีลไว้ตั้งใจปฏิบัติในรูปแบบไวนะ้อย่าขี้เกียจเวลาในชีวิตประจำวันเจริญสติไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไป กระทบแล้วเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วให้มันรู้สึกไปแล้วเรามีสติตามรู้ตามเห็นมันนะตรงที่ปฏิบัติปฏิปทาตัวเนี้ย น, นะที่หลวงพ่อพุทธท่านเรียกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรเป็นตัวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดก็ร่างกายเห็นไหมร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมีสติ เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใจมัเป็นคนดูใจมันตั้งมั่นเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างพวกเราบางทีเดินจงกลมเห็นร่างกายมันเดินนั่งอยู่บางทีเห็นร่างกายนั่งหายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะค่อยดูค่อยรู้ไปจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันแยกออกไปอยู่ต่างหากมันทำงานของมันได้เองในส่วนของร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำมีสติ รู้ไปด้วยมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูในส่วนที่ใจใจนั่นทำงานได้สองอย่างใหญ่ๆ ใ, ในเวลาที่เราอยู่ปกติเนี่ยใจจะชอบหนีไปคิดความจริงใจทำงาน2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งไปเพ่งกลุ่มหนึ่งหลงตามอารมณ์กลุ่มหนึ่งบังคับตัวเองนี่มี2กลุ่มใหญ่คนทั่วๆไปเนี่ยจิตจะไหลไปตามอารมณ์แล้วไหลบ่อยที่สุดคือไหลไปคิดแท้จริงแล้วไหลหกช่อง ไหลตามอารมณ์นะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสที่กายไหลไปคิดที่ใจมีหกช่องแต่ว่าไหลบ่อยที่สุดเนี่ยไหลไปคิดบ่อยที่สุดไปไหลไปคิดอย่างเราหลับตาสิเราหลับตาเราปิดหูปากเราก็ไม่ได้ไปกินอะไรใช่หมจมูกเราก็ไม่ได้สนใจดมอะไรใจก็ยังแอบคิดอยู่ใจคิดไม่เลิกหรอกไม่ห้าม อยากคิดก็ให้มันคิดไปมันเหมือนเรามีตามีตาก็ต้องมองเห็นนะถ้ามีตาแล้วไม่ดูก็เหมือนคนตาบอดไม่มีประโยชน์อะไรคนตาบอดบ้าใบาบอดนวกแต่กําเนิดถือว่าเป็นอาภัพประบุคคนนะคนอาภัพนะภาวนามไม่ได้เพราะเรียนธรรมะไม่ได้นะพวกบ้าใบาบอดหนวกตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยเรียกบ้าใบาบอดหดวงคือรับธรรมะไม่ได้นี่อาภั พ, พ, พที่สุดพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามีตา เมื่อมีตาก็ดูเมื่อมีหูก็ฟังเมื่อมีใจก็คิดนะไม่ต้องไปฝึกตัวเองให้มองไม่เห็นให้ไม่ได้ยินให้ไม่คิดอย่าไปฝึกอย่างนั้นแต่เมื่อตาดูหูฟังใจคิดแล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลบโกรดหลงอะไรให้รู้ไปเนะี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้นะปัญญามันจะเกิดแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราลโลภโกรดหลงก็ชั่วคราวหรือการที่ตาจะมองเห็น เราก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นะอย่าลืมตาขึ้นมามีตามีรูปมีแสงสว่างนะมีความใส่ใจที่จะดูมันก็มองเห็นรูปนะเรานั่งรถมานะอย่างหลวงพ่อวันนี้มีอาคุศนวิบากให้ผลนั่งรถมานะตามถนนนี่แหละเห็นมีหมาหมาตายเนี่ยมันมีตาใช่ไหมแล้วอาคุศลให้ผลอ่ะไปเห็นหมาถูกรถทับ ตายเรียบร้อยไปแล้วจิตไม่อยู่กับร่างตายแล้วไปไหนก็ไม่รู้ทําไมต้องไปเห็นเพราะมันมีตามันมีรูปมันมีแสงสว่างใช่หไหมแล้วจิตมันใส่ใจเข้าไปพอดีวิญญาณเกิดทางตาเพราะว่าอากุศลวิบากให้ผลต้อไปเห็นของไม่สวยไม่งามเนี่ยหรือบางทีหันไปไปเจอดอกไม้สวยอกุศลให้ผล ก็ได้เห็นของสวยอาุศลให้ผลได้เห็นของไม่ดีอเ น, น, นีเราเลือกไม่ได้คุศหเลื อ, อกุศลจะให้ผลเราก็เลือกไม่ได้แล้วเราจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรนะเราสั่งไม่ได้หรอกหรือเราได้ยินเรามีหูเรากำลังเปิดเพลงไพเราะฟังอยู่ที่บ้านอ ย, อยู่ดีๆเสียงข้างบ้านด่ากันเคยมีไหมเรากาลังฟังอะไรของเราอย่างสุนทรีอยู่หรือเปิดซีดีหลวงพ่อประมวดฟังอยู่ หัวเมียข้างบ้านกาลังด่ากันอยู่เนี่ยเสียงอาคูสนมันก็แทรกเข้ามานะเรามีหูเราห้ามมันไม่ได้เราก็โมโหอุ้ยอีชั่วคนก็จะฟังเทศชั่วช้าสามานทะเลาะกันอยู่ได้ไม่เห็นเลยว่ากําลังมีโทสะนะว่าเขามีโทสานะตัวเองไม่เห็นหรอกไม <laughs> ่เอาไหนเลย <laughs> เนี่ยหูมันจะได้ยินเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหม จมูกจะได้กลิ่นก็เลือกไม่ได้บางคนนะมีบุญจมูกเนี่ยได้กลิ่นหอมอย่างเดียวนะมีนะไปอยู่คนอื่นเขาเหม็นจะตายแนละ้วตาคนนี้มันหอมอะ่ะดมอะไรมันหอมไปหมดเลยนะแล้วจมูกมันเสียไปบางส่วนส่วนที่จะรับรูกก้ความเหม็นเนี่ยมันไม่มีไปตีไหนโอ้หอมนะตัวนี้หอมอะไรนี่มันกองขยะเฮ้ยไม่ได้เห็นเหรอนี่มีดอกไม้ตกอยู่ดอกหนึ่งนี่ นะบุญมันมากนะเลือกได้ไหมจะได้กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหมน็นเลือกไม่ได้เนะี่ยเราเลือกอรมณ์ไม่ได้นะผัสสะมันมาเราเลือกไม่ได้ใจจะคิดเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเลือกได้ไหมเคยตั้งใจไหมว่าจะคิดแต่เรื่องดีคิดแต่ธรรมะธรรมโมเคยมีไหมคิดไปคิดมาก็นินทาพระเฉยเลยนะ <c oughs> นะอยากจะคิดแต่เรื่องกุศลนะคิดแต่เรื่องวัดวาอารามนะ น่าเรื่อมใสคิดไปคิดมาเฮ้ยพระองค์นี้ก็ไม่ดีองค์โน้นก็ไม่ดีองค์นี้ประราชิกองคโน้นมีข่าวอะไรอย่างนี้นะใจเป็นอกุศลใจจะเป็นกุศลหรืออกุศลนะก็ยังเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้นะอย่างจะรักหรือจะเกลียดเลยนี่ยห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้จิตมันเป็นเองนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเราก็จะเห็นนลยมันไม่มีอะไรที่เราสั่งได้มันสั่งไม่ได้ ความรู้สึกนะึกคิดตาหูจมูกลิ้นกายใจจะกระทบอารมณ์มันมีกุศลมีอกุศลมันก็ทบไปนะมีเหตุให้กระทบมันก็ต้องกระทบกระทบแล้วจะเจออารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะพอเจออารมณ์แล้วจะเกิดกุศลหรืออกุศลจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ก็เลือกไม่ได้อีกมีแต่ของเลือกไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างก็ชั่วคราวเนี่ยเวลาเราภาวนานะเราจะเห็นเล ตาเรามองเห็นเราเลือกไม่ได้หูได้ยินเสียงเลือกไม่ได้จมูกได้กลิ่นดิ้นได้รสกากระทบสัมผัสใจคิดนึกเลือกไม่ได้กระทบไปแล้วนะจะเกิดสุขหรือทุกข์ก็เลือกไม่ได้จะเกิดกุศลหรือโลบกรดหลงก็เลือกไม่ได้นะแต่พักเกิดแล้วเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละเกิดแล้วดับง น, นหน้าที่เรานี่ไม่ใช่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์หรือจงใจไปกระทบอารมณ์บางอย่างหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์บางอย่างไม่จําเป็นหรอก ถ้ามันมีเวทกรรมนะยังไงมันก็เลี่ยงไม่พ้นอย่างเราเห็นรถชนกันแต่ไกลโอ้โรถชนอย่างนี้คนตายแน่น่ากลัวเราเบือนหน้ามาอีกฝั่งหนึ่งกะจะไม่ดูไอ้ที่เขาชนนะเขาเอาศพมาย้ายมาอยู่ทางนี้แล้วไอ้ทางนี้ไม่มีอะไรแล้วละ่ะนะมีแต่คนมุงเนี่ยมันช่วยไม่ได้อาคูศนไม่จะให้ผลเพราะเราไม่เลือกอารมณ์นะตาหูจมูกเลี้ยงกยใจจะกระทบอารมณ์ก็กระทบไปเถอะเราเลือกไม่ได้ แต่ลวกระทบแล้วจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราก็เลือกไม่ได้ตัวนี้เราก็จะต้องรู้นะมันเป็นอนัตตามันเลือกไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าอะไรทุกสิ่งเกิดแล้วดับการมองเห็นก็เห็นชั่วคราวการได้ยินก็ได้ยินชั่วคราวได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็ชั่วคราวได้คิดนึกก็ชั่วคราวเรียนเรื่องคิดไปเรื่อยๆมันอยู่ชั่วคราว เกิดสุขจะเกิดทุกข์สุขทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วนะโลภโกรดหลงก็ชั่วคราวเนี่ยการที่เรามีสตินะเราตามรู้ตามเห็นไปเราจะเห็นเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวมันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์กุศลหรือรลภโกรดหลงก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสู่ความเป็นกลางนะ มากเข้ามากเข้านะแล้วไปรู้รูปรูนามนี่แหละนะรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามด้วยความเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายนะะั่นเลคือรถคันที่7จดรถคันที่7คือยานทัศนวิสุทธิ์เราจะเกิดปัญญามีความบริสุทธิ์นะมีปัญญาที่บริสุทธิ์เลยคือเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปประธรรมนามธรรมาซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะ รูปธรรมานามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเรานะบังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเรามายืมโลกเขาใช้ชั่วคราวยืมวัตถุธาตุของพ่อของแม่ยืมอาหารยืมน้ํายืมอากาศมาใช้ชั่วคราวแล้วก็ขืนโลกไปนะนามธรรมา ท, ทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวอาศัยพึ่งพิงอะไรไม่ได้อยากให้มีความสุขมันก็สุขไม่นานนะอยากจะดีมันก็ดีไม่นานไม่มีอะไรพึ่งพิงได้เลย ในสังสารวัตรนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปื้วยนะเห็นในกายนี้ก็ไม่ใช่เราเรายืมโลกมาใช้จิตนี้ก็บังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้นะมันแปลสภาพไปเรื่อยๆตามเวรตามกรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เราอีกตรงที่เห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานะรูปนามไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนี่เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเนี่ยรดกันที่เจ็ ในรดการที่7เนี่ยนะมีถึงพระสกทาคาพระนาคาพระรหันพระสกทาคาเห็นเหมือนพระโสดาแหลแต่ว่าละกิเลส ช, ช่วยหยับหยับพวกแรงๆเนี่ยขาดไปขาดไปนะเลติกิเลสบางๆเบาๆกิเลสไม่รุนแรงอย่างโทสะมีแต่มีเบาๆไม่แรงราคะก็มีแต่ไม่แรงนะมีแผ่วๆแค่รู้ก็ขาดแค่รู้ก็ขาดจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเผลอนะนก็ครอบเอาเหมือนกันนะ ถ้าสักถาคาก็ถูกโทษะครอบได้นะงั้นอย่างเราเห็นพระเราไปด่าท่านแล้วท่านโกรธเราจะไปบอกว่าท่านเป็นพระเลวไม่ได้นะต้องบอกว่าท่านยังไม่ใช่พระอนาคาต้องว่าอย่างนีนะ้ท่านอาจจะเป็นปุถุชนเป็นอรารัชชีเป็นอะไรจนถึงสักาคาขาก็ไดนะ้ไม่แน่หรือบางคนเราไปด่าๆนะี่ยิ้มหวานเลยโอ้ยองค์นี้ไม่โกรธความจริงเขาโกรธข้างในเราไม่เห็นพวกองค์นี้พระอาหารหันต์ อย่ามั่วนะพวกเราชอบตั้งพระนะชอบสถาปนาองค์นี้พระองคนะ์ชั้นนั้นชั้นนี้ทำจริงใครเคยทำบ้างมีไหม ย, ยกมือให้ดูสิเลิกซะนะนี่ใส่เสียเอาอะไรไปตั้งเราไม่รู้หรอกนะเราไม่รู้หรอกเนี่ยปัญญานะจะแก่กล้าขึ้นถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตก็คืนกายให้โลกก็ได้ภูมิธรรมชั้นที่สาม ทันยาแก่รอบที่สุดเลยนะก็จะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราคือจิตไปคือจิตให้โลกสลัดจิตทิ้งไปสภาวะของจิตที่จะเปลี่ยนไม่เหมือนจิตอย่างที่พวกเรามีจิตพวกเรามีนะเป็นมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมามีความเคลื่อนไหวอยู่ภายในรู้ไหมหมุนติ้วติ้ตติอยู่ภายใน จิตท่าระหันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเคลื่อนไหวภายในไม่มีรูปลักษ์ภายนอกนะยังไม่มีแสงสีเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยเพื่อมีสัมผัสธรรมะอยู่จิตนั้นมันสัมผัสธรรมะเวลาต้องการสัมผัสธรรมะกับโลกก็เป็นแค่กิริยากระทบไปอย่างนั้นเองเวลาจะพักผ่อนก็ทรงกับพันธิพาน์ถ้ามีความสุข สบายทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องยุ่งกับใครสบายนะตรงที่เข้าถึงพระนิพพานเนี่เรียกว่าผลจากรถขันที่เจแล้วนะตรงที่รถชันที่เจเนี่ยก็จะภาวนาไปนะจนเกิดมรรคเกิดผล ข, ขึ้นมานะมรรคผลกันนิพพานคนละอ่านกันนะมรรคผลเนี่ยเป็นโลกุตระก็จริงแต่เกิดแล้วดับโสดาปฏิมรรคเกิดแล้วประดับอยู่ชั่วขณะจิตเดียวเองนะ โสดาปฏิผลเกิดแล้วก็ดับอยู่สองสาขณะจิตเองนะแค่นั้นเองนิดเดียวเพราะฉะั้นไม่ใช่ว่าโลกุตระแล้วไม่เกิดไม่ดับนะโลกุตระทำมี9อย่างนะโสดามากโสดาผลสัทาคามมากสัจธารมาามาีผลอนาคามีมากอนาคามีผลอหรหัตมากอหารหัตผลนี่เป็น8ปดอนิพานโลกุตระที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือนิพานโลกุตระที่ยังเกิดยังดับอยู่นะี่คือมากกผลนะมีสี่ขั้น อริยมรรคนันไม่ว่าชั้นไหนเกิดขนาดจิตเดียวแวบเดียวเท่านั้นเองเหมือนมีดมันคมมากนะฟันอะไรเนี้ยขาดในฉับพลันไม่ต้องฟันสองทีเวลาฟันอริยมรรคมันฟันกิเลสตายเนี้ยนะมันฟันชับเดียวขาดเลยขาดแล้วไม่มาติดอีกขาดแล้วขาดเลยตัวไหนถูกฟันขาดแล้วขาดเลยแต่อริยมรรคเกิดแล้วประดับเกิดอริยผลสองสาขณะแล้วก็ดับนะเพราะนั้นโลกุตระก็ยังดับได้ ตรงนี้มันเป็นรถชันที่เจนะ็ดพ้นจากรถชันที่เจ็นี้หมดธุระแล้วสบายแล้วก็นะสัมผัสทนิพานไปพวกเราตอนนี้ส่วนมากเลยนะอยู่รถชันที่ห้าที่หกแล้วนะเล้วอีคันเดียวอย่าตกรถซะก่อนก็แล้วกันตกรถมีไหมมีนะท้อแท้เลิกปฏิบัติไปนะหรือขี้เกียจ ใครยังขี้เกียจอยู่มีไหมยกมือให้ชื่นใจซิชื่นใจจริงๆนะเพราะลูกศิษย์รู้ว่ายังชั่วอยู่เออยังขี้เกียจอยู่ใครเบื่อบ้างพราวนาแล้ว เ, เบื่อเบื่อมีไหมขี้เกียจก็ได้เบื่อก็ได้แล้วใครท้อแท้เออท้อแท้ก็ได้นะไม่ห้ามหรอกขี้เกียจเบื่อท้อแท้ก็ได้แต่อย่าให้มันครอบจิตขี้เกียจรู้ทันเบื่อรอู้ทันท้อแท้ตู้ทันอย่าให้มันครอบใจเราได้ ถ้าเรารู้ทันรู้ทันไ ด, ได้ใจก็เป็นอิสระจัดอารมณ์ที่มากีดขวางพวกนี้นช่วงหนึ่งใจก็จะมีแรงขึ้นมาไม่พอนาต่อทุกคนแหละไม่ว่าแน่สะแค่ไหนนะมันก็ต้องเคยท้อหลวงพ่อก็เคยท้อนะขนาดมาบวชแล้วนะมาบวชแล้วโอ้ทาไงเราจะเร่งความเพียรได้อยากเร่งความเพียรไม่รู้จะเร่งยังไงเร่งไม่เป็นดูโง่หลายเลยอยากเร่งความเพียรแล้วไม่รู้จะเร่งยังไง ตายแล้วกิเลสก็ยังมีต้องตายแล้วต้องเกิดอีกนะแต่ชาตินี้เราคงได้แค่นี้แหละนะแต่ไม่เลิกนะดูลูกเดียวเลยเป็นทุกคนนี่ครูบาอาเนี่ยเนะมื่อก่อนตอนเป็นโยมอยู่มีพักพวกมาบอกหลวงพ่อนะว่าตอนเนี้ยอาเขาไปปลูกสวนท้ออยู่บอกไปปลูกมันทำไมสวนท้อทำไมไม่ไปภาวนาบอกกำลังท้อต้อแต้อยู่เป็นทุกคนแหละ เป็นทุกคนแหละเพราะงั้นขี้เกียจก็ไม่เป็นไรขี้เกียจก็ดูไม่เลิกท้อก็ไม่เป็นไรท้อก็ดูไม่เลิกนะเบื่อก็ไม่เลิกดูลูกเดียวยังไงมันก็ต้องเจอสภาวะที่มากีดขวางการปฏิบัติของเราเนี่ยต้องเจอทุกคนแหละอดทนไว้นะจะได้ถึงรดกันที่เจ็ดสถทีบางคนก็คงจะถึงหรอกชาติเนี้ยบางคนก็คงชาติต่อๆไป ถ้าเสียระยะเมตไตรก็มีอีกนะคือถ้าเราทำเต็มที่แล้วยังไม่ได้อย่าเสียใจนะสมมติว่าเราจะตายแล้วตายแล้วเรียนกับหลวงพ่อประโมทมาตั้งหลายปีแล้วตอนนี้กำลังก่วยหนักใกล้าตายแล้วยังไม่ได้มรรคผลเลยอย่าตกใจนะดูกายมันตายไปเลยถวายร่างกายถวายชีวิตนะบูชาผู้เท่เจ้าไปเลยนะบางคนไม่แน่นะได้ตอนนั้นเลยได้ตอนใกล้จะตาย เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ชนิดชีวิตะสมัสสีสีอย่างนั้นก็มีนะหรือบางคนไม่ได้จริงๆนะชาติหน้าไปต่อต่อง่ายอะไรที่เคยทำแล้วมันทำง่ายอย่างพวกเราทำบาปง่ายเพราะเคยทำ <c oughs> โกรธง่ายไมเพราะเคยโกรธคนไหนขี้บ่นบ้างมีไหมยกมือให้ชื่นใจขี้บ่นดูแล้วชือ่อ้ผู้ชายก็มีมา ผู้ชายกับผู้หญิงขี้บ่นพอๆกันนะเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของหลวงพ่อนะเรื่อว่าผู้หญิงขี้บน่นที่แท้ผู้ชายก็ขี้บน่นที่ยกมือเนี่ยสูสีกันขี้บน่นทําไมขี้บน่นก็เพราะมันเคยชินที่จะบน่นเะถ้าเราปล่อยให้มันเคยชินฝ่ายชั่วไปเรื่อยนะยิ่งแก่ยิ่งร้ายยิ่งแก่มันจะบ่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจนกระทั่งไม่มีใครเข้าหน้าเลย ไม่มีใครเข้าหน้าก็บ่นตัวเองอีกละอุ้ยทำไมผมหงอกเนี่ยบ่นตัวเองอีกหาเรื่องไปเรื่อยๆหาความสุขไม่ได้สักทีงทั้นจิตเนี่ยนะถ้าเราเคยชินที่จะปฏิบัตินะเคยชินที่จะรักษาศีลเราจะรักษาศีลง่ายเคยชินที่จะตื่นรู้สึกตัวเราจะตื่นได้ง่ายเคยชินเจริญปัญญาจะเจริญปัญญาง่ายเหมือนเจ้าชายสิทธธัศนตอนเด็กๆนะเราเราจ็ดขวบเนยะจิตตื่นขึ้นมา ได้สมาธิที่ที่ถูกต้องทนะําไมตื่นขึ้นมาได้เองยังไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลยก็เคยก็เคยได้นะหรือทําไมท่านมาเจริญปัญญาได้รวดเร็วนะเจริญปัญญาได้ไม่กี่วันเองนะบนรรลุมากผลแล้วหจะไปทรมานกายเที่เรค้คนหาอะไรอยู่พอมาเดินทางถูกอยู่ใช้เวลานิดเดียวเองทําไมท่านใช้เวลานิดเดียวท่านทํามาเยอะแล้วนะนี่พวกเราทํามากหรือทําน้อยก็อยู่ที่ตัวเองแล้วล่ะนะถ้าเรา ขยันเต็มที่นะสะสมของเราไปแล้วชาตินี้ไม่ได้นะชาติหน้านะได้ยินซีดีของหลวงพ่อท่านนั้นเองปิ๊งเลยนะปิ๊งเลยจิตตื่นจิตตื่นเนี่ยเพลนที่สุดแล้วนะคนเขาตื่นเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตอนนี้นะงั้นฟังแล้วปุ๊บจิตตื่นในเรื่องเล็กบางคนได้ยินเสียงซีดีหลวงพ่อขันแยกเลยนะกำลังถือขันจะใส่บาทได้ยินจะตกใจนะขันแตกเ็นเสียงเสียง ขันแยกเลยเนี่ยแล้วแต่บุญวาสนาแขันชนิดไหนจะแยกขันชนิดไหนจะแตกออกไปจากกันแล้วแต่วาสนานะแล้วแต่บุญเราสร้างไม่ใช่ไม่ใช่วาสนาแล้วแต่บารมีวาสนาเป็นความเคยกายเคยวาจาบารมีเนี่ยเป็นความเคยของใจในทางดีอนุสัยเนี่ยเป็นความเคยชินของใจในทางชั่ว เราสะสมอนุสัยมายเยอะแล้วเพราะั้นเรามาฝึกให้มีศีลมีธรรมฝึกให้มากถ้าชาตินี้ได้ก็จะได้ไปเลยก็ดีก็จะมีความสุขเพื่องอะไรต้องจมความทุกข์เนี่ยมีคนนะเขามีฤทธิ์เยอะตัวเพรีรมีที่พระจักษุที่ตาที่อะไรพวกนี้เขาเล่นพวกนี้เขาเคยบอกหลวงพ่อไว้เนี่ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะดูล่วงหน้าไปแล้ว จะมีคนภาวานาได้เกินครึ่งว่าอย่างนี้ไงได้เกินครึ่งไม่เชื่อหรอกกว่ามันจะตื่นสักคนหนึ่งอย่างยากเลยตื่นแล้วยังต้องแยกขันต้องดูขันแสดงใจรักยากไม่เชื่อหรอกตอนนี้ชักเชื่อบ้างแล้วล่ะนะพอดูหน้าตาพวกเราหน้าตาเป็นอมนุษย์เข้าไปฏิวัติแล้วนะไม่เหมือนมนุษย์ละหน้าเป็นเทพเป็นพลมไปหมดแล้วนะค่อยฝึกนะ ชาตินี้ได้ก็ดีที่สุดไม่ได้ก็ไม่เสียใจเวลาจะตายโรบงูดูลถ้าเรียกตกกระดปล่อยโจรเวลาจะตายก็ดูกายมันตายใจเราอยู่ต่างหากนะใจอย่าไปเศร้าหมองตามร่างกายมันตายเราไม่เกี่ยวอาจจะได้มักได้ผลนะได้บ้างสมัยพุทธกาลมีได้อรหันนะของเราได้โสดากกบุญแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ได้จริงชาติต่อไปทาง่าย อาจจะไปอยู่เป็นเทวดานะแล้วก็ไปฟังทรรมจากพวกเทพพวกฟลมพวกพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยก็ไปทำไดนะ้หรือฟังจากพระบางองค์ท่านสอนได้นะก็ภาวนาไปได้ในเทวโลกก็ได้เนะทวด า, าบรรลุมากผลก็มีไม่ใช่ไม่มีนะมีเยอะกว่าคนอีกนะพวกที่ภาวนาแบบพวกเราเนี่ย ตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าก่อนๆเลยมาแล้วไม่จบขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นพรอมก็มีนะตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านขึ้นไปเนี่ยพวกปลอมสุทธาวาสจากพุทธเจ้าเก่าๆยังมากราบท่านพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่นะนั่นพวกเทพพวกปลอมพวกเราอาจจะไม่ต้องกลับมาข้างล่างไปต่อเอาข้างบนก็ได้ใครไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์บ้างยกมือซิมีไหมไม่อยากเกิดยังเกิดอีกนะ เกลียดอะไรก็ได้อนั้นแหละถ้าเป็นกลางแล้วก็ไม่เกิดหรอกเป็นกลางทำแต่ความดีไปเรื่อยนะขึ้นไปแล้วก็พอพระสเสริยะเมตไตรมาตรณ์นะเราจะลงมาฟังในสภาพของกายทิพย์ก็ได้หรืออยากลงมาช่วยท่านทำงานลงมาเกิดมาเป็นสาวกท่านมาช่วยท่านประกาศธรรมะก็ได้ แล้วแต่วัดสนามบารมีความสนใจของเราแต่ถ้าเราไม่เคยภาวนานนะถึงไปเจอพระสีอริยเมตไตรท่านก็คงบัวมีสี่เหลา่า <laughs> บัด น, นี้ได้เจอเหล่าที่สี่แล้วอยู่ใต้น้ำใต้ดิน <laughs> งั้นทำตัวให้เป็นบัวพ้นน้าขึ้นมาก่อนนะให้พ้นน้ำถ้าพนแล้วบานรับแสงอาทิตย์ได้ในชาตินี้เอาเลยไม่ต้องรอ ถ้าไม่ได้ก็ไปบานชาติต่อไปถ้าไม่ได้จริงก็รอพพุทธเจ้าถัดไปถ้าไม่ได้อีกทีก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วลนะ่ะต้องรออีกนานเลยนะ่ะพอสู้ไหมกินข้าวของเขาฟรีแล้วนะสถานที่ก็ใช้ฟรีนะต้องภาวนาใช้นี่นะต้องภาวนาใช้นี่อย่างพระเนี่ยบวชมาถ้าพระบวชมาแล้ว ไม่มีธรรมะนะไปบินธบาติข้าวทุกขัเนี่ยคือหนี้นะงั้นวิธีจะลดหนี้ของพระคือภาวนาให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลนะเราไปบินธบาตนะิเข า, าได้บุญได้กุศลอย่างน้อยเป็นกาลยาณนะปุถุชนก็ยังดีเป็นหนี้น้อยหน่อยญาติโยมก็ได้บุญบ้างดีกว่าไม่ได้เลยพวกเหล่านี้ก็ใครๆพระใช่ไหมที่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ฟรี ข, ข้าวก็กินฟรีใช่ไหมรถ จอดไปที่นอกนั่งรถตู้ฟรีเข้ามาอีกเต็มไปด้วยของฟรีนะงั้นเป็นหนี้แล้วนะต้องภาวนาใช้หนี้เขานะภาวนาแล้วก็นึกถึงคนที่เขาจัดสถานที่คนที่เขาจัดการแสดงทำนะคนที่ช่วยงานนึกถึงเขาบ้างนึกถึงเขานึกไปอย่างนั้นและเขารับไม่ได้เพราะเขาไม่รู้นะเรานึกถึงก็แสดงว่าเราก็ยังกระตันอยู่อยู่ ก็อยากเป็นคนดีนะถ้าเจอเขาก็ขอบใจเขาหน่อยอนุโมทนากับเขาหน่อยคนที่ช่วยงานอย่างพวกจราจรนะไม่ได้ฟังธรรมนะเดินท่อมๆ อ, อยู่ข้างถนนน่าสงสารเสียสละนคนที่เสียสละเพื่อให้เราได้ฟังธรรมะเนี่ยมีเยอะเลยผู้ที่เสียสละท่านแรกคือพุทธเจ้าสืบทอดกันลงมาจนถึงวันนี้แหละหลพ่คนเดียวทาไม่ได้พวกเรามาเยอะ ไม่มีปัญญาก็ต้องมีคนมาช่วยเยอะแยะเลยซีดนะี CD, หรือเว็บไซต์ต่างๆโลวงพ่อเขาไม่ได้ทำทำไม่เป็นนะคนเขาทำเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรลำบากมากเลยในการทำงานเนะสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อเขาทำเพื่อแทนคุณพระพุทธเจ้านะพวกเราก็ภาวนานะแทนคุณผู้มีอุ ป, ปการะคุณของเราด้วยนะเรียกบุ ป, ปการีนะคนที่ส่งคราห์เราก่อน ตัวที่เรายังไม่เคยสงเคราะห์เขาเนี่ยเรียก่าบุปการีผู้ให้การอุปการะก่อนเนีย่ยพระพุทธเจ้าเหมือนบุปการีเราบุปการะเราสอนเราสอนยากนะมนุษย์แต่ละคนว่ายจะพ้นทุกข์ขึ้นไปนะยากเหมือนสอนกวายให้ขึ้นต้นไม้เลยต้นไม้สูงๆต้นยางต้นอะไสอนให้กวายปีนขึ้นไปไม่ใช่ง่ายหรอกยากอันนี้ไม่ได้ว่าพวกเรานะ พ่อนึกถึงตัวเองเหรอกว่าโอ้โหเรากิเลสนาะปัญญายาบนะได้ธรรมะพูดให้เจ้านะก็ค่อยๆขัดเกลามาค่อยมีความสุขขึ้นนะสู้นะสู้ไม่สู้สู้สู้แบบเห็นไอ้พวกนักล้อมันชอบหรือนันกการเมืองสู้ไม่สู้อ้าวส่งกันบ้างกราบสมศั ก, การ์์หลวงพ่อครับผม ส่งกันมาล่าสุดสองปีที่แล้วครับก็มีเรื่องเล่าทีหนึ่งว่ามีนาผมเสียชีวิตแล้วว่าผมก็ไปงานศพอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ร้องไห้ครับก่อนหน้านี้หลวงพ่อบอกว่าผมสมาธิน้อยไปผมก็เลยไปทำสมาธิในรูปแบบมาอพอสมควรครับทุกวันเมื่อมีโอกาสผมก็ ทำเหมือนหลวงพ่อบอกครับันรูุโสดาในชาตินี้ผมก็อธิษฐานตลอดก็นั่งรถมาก็ปิติมานะครับคือเพิ่งเพิ่งเปิดอินเทอร์เน็ต ร, รู้ว่าวันนี้แสดงธรรมก็เลยรีบมาก็อยากได้วิทยะเพิ่มขึ้ น, นมากๆครับที่เราภาวนา ม, มาถึงจุดนี้สังเกตไหมว่าเราเปลี่ยนไป ใจเราก็ไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกไหมมันเหมือนว่าใจเรามันอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ครับใช่นั่นแหละคือภาวะแห่งความตั้งมั่นนี่ภาวะแห่งความตั้งมั่นมีสองงานอันหนึง่งตั้งมั่นที่ถูกใจก็รู้ตื่นเบิกบานแต่ถ้าจงใจตั้งจะแข็งนะของคุณตั้งได้ดีแล้วละ่ะเมื่อใจตั้งมั่นแล้วเห็นหว่ารูปนามมันแยกได้เห็นเป็นบางบางาถูกต้องไม่เห็นตลอดลเห็นเป็นคราว เพราะจิตเนี่ยไม่ใช่จิตทุกดวงที่เป็นกุศลเนี่ยนะไม่ใช่กุศลทุกดวงนะที่มีปัญญาจิตบางดวงเท่านั้นที่มีปัญญานะจิตกุศลจิตที่เป็นกุศลส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญญางั้นการที่เราเห็นขันมันแยกได้เป็นคลาลหรือเห็นไตรลักษณ์ได้เป็นคลาลอันนั้นเห็นถูกแล้วนะไม่ต้องตกใจถูกแล้วกีเลสมันก็บางทีก็ตามกีเลสไปแล้วก็ สนองกิเลสไปเลยก็มีครับให้ไม่สนองกิเลสเราต้องละนะเราไม่ตามมันนะคืออย่าปล่อยให้มันครอบใจกิเลสเกิดเนี่ยเราไม่ห้ามแต่เมื่อกิเลสเกิดแล้วให้เรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันมันจะครอบงําใจไม่ได้เมื่อครอบงําใจไม่ได้นะกายวาจาของเราจะเรียบร้อยมีศีลเมื่อเราไม่ไม่ตามใจกิเลสนะครับธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนแค่ว่า ให้รู้สึกตัวอยู่ลูกเดียวแค่นี้พอแล้วถ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะท่านสอนทำที่ควรเจริญทำที่ควรละอะไรนี้เราก็ต้องเจริญต้องละอะไรควรเจริญนี่ศีลสมาธิปัญญาควรเจริญอะไรควรละก็หลักค้าโทสะโมหะนี่ต้องละอะไรเงี้ยนะงั้นเราละหมายถึงว่าไม่ให้มันครอบงําเราได้ละออกจากใจแล้วผมขึ้นรถคันที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย <laughs> หลวงพ่อนับรถไม่ถูกสิ เวลาเทศเนี่ยนะกับเวลาตอบปัญหาเนี่ยมันจิตคนละดวงเงิน <laughs> เป็นน้ำเอาเอง <laughs> ทำถูกแล้วไปทำต่อนะแต่ระวังอันเดียวบางทีจิตมันไม่เข้าฐานมันเหมือนรู้ตัวอยู่แต่มันไม่เข้าบ้านนะอย่างขนาดเนี้ยลองย้อนเข้ามาดูจิตซิเข้าได้ไห ม, เ ข, มเข้าได้ครับเออเข้าได้แบบ๊บเดียวก็เด้งออก ให้รู้ทันเ น, ะนะ<ม>ี่ยรู้สึกไหมเมื่เข้ามาแล้วก็เด้งเข้ามาแล้วก็เด้งเนี่ยเคลื่อนอนอกแล้วเนี่ยเคลื่อนละใช่ไหมให้รู้เอานะต้องให้ให้มันแยกแยกขันใช่ไมับอ<า>๋อต้องให้แยกให้แยกขันไม่ไม่ไม่ไม่จำเป็นหรอกนะมันแยกเป็นคราวๆไม่แยกตลอดเวลาหรอกแต่แยกขันนะที่หลวงพ่อบอกมันมีจิตที่ถูกกับจิตที่ผิด จที่ถูกนะใจรู้ตื่นเบิกบานอยู่กฐานจริงๆนะอีกอันนึงเหมือนก็ขันแยกนะแต่ใจไปนิ่งๆว่างๆอยู่นะเหลืออันนึงเที่ยงคือเหลือใจว่างๆอยู่อันนี้ไม่ดีนะใจไม่เข้าบ้านแล้วนั่งสมาธิต่อไปนี้นั่งสมาธิแบบแบบไหนนี่ครับสมาธิแบบไหนเหรอสมาธิแบบที่ไม่ให้ขาดสติให้รู้ตัวรู้สึกตัวไปนะรู้สึกใจไป สใจไปน่าสมาธิแล้วรู้สึกใจไปใจสุกรู้ใจทุกรู้ใจดีใจชั่วรู้นะใจสงบใจฟุงซ่านรู้แล้วมันจะสงบเองครับอ่ะให้คนอื่นบ้างของคุณคไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกฟอนาใช้ได้แล้วครับขอบคุณมากครับหลวงพอ่อธรรมสา ก, การ์ค่ะหลวงพอ่อตอนนี้ฝึกไปฝึกมาแล้วพี่น้องรู้สึกว่าทําอะไรไม่ถูกเลยโอ้เก่งนะรู้ว่าทําอะไรไม่ถูกงงไหมงงคอะ งงทําไงดี<ก>ตอบสิง ง, งงทํายังไงดีวันนี้ตอบได้งงรู้ว่างงถูกก็เห็นกิเลสทุกตัวแล้วก็เวลายมเห็นไหมว่าไม่ว่ากิเลสตัวไหนนะมาแล้วก็ไปค่ะแล้วเราห้ามมันไม่ได้นะค่ะมันจะมาหรือมันจะไปห้ามมันไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาค่ะเนะฉั้นบางทีพอนาไปแล้วเกิดงงเป็นเรื่องปกติ งงเอจะทำไงดีรู้ว่างงงงงก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับราคาโทรศอะไรต่างๆนั่นแหละแล้นดูเข้าไปแต่ตอนทาในรูปแบบนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ได้แค่สิบห้านาทีเองเออสิบนาทีก็ดีแล้วแต่สวดมนต์จะเป็นส่วนใหญ่เอาได้ชอบสวดมนต์สวดไปสวดมนต์แล้วใจสบายรู้ว่าสบายะนะสวดมนต์แล้วมีความสุขรู้มีความสุข มีความสุขแล้วเพลิดเพลินพอใจรู้ว่าเพลิดเพลินพอใจะนะเข้ามาให้ถึงตรงนี้ให้รู้ทันว่ากำลังพอใจในความสุขความสงบนี้แหล ะ, ะนะถ้าเข้ามาถึงตรงนี้แล้วจะไม่ติดนะถ้ามาไม่ถึงตรงนี้จะติดความสุขนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูนั่งรถตู้ไปเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วไปหาหลวงพ่อที่วัดสวนสิทธิธรรมอะค่ะหนูก็ใช้คาภาวนา แล้วก็หลงรู้หลงรู้ไปเรื่อยๆนั่งไปในรถตู้อะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เกิดเห็นเป็นช่องว่างอืเห็น <He S 2> แค่แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็สะเทือนอยู่ที่อกเนี่ยหลายวันอะไรอยู่ที่อกนะมันจะเทือนสะเทือนอยู่ในเนี้ยคะ่ะอ๋อสะเทือนใช่ใช่แล้วก็ตอนเนี้ยของหนูก็คือเวลานั่งสมาธิมันจะร้อนร้อนตามร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเป็นประมาณนี้ต อ, อนอนี้ก็ร้อนอยู่ เ, ออเวลาบางคนเข้าใกล้หลวงพ่อก็ร้อนเลยนะเ อ, อ้เอาเรื่องจริงนะถ้าสมาธิเป็นนะอ่ะเพราะพลังของพระเนี่ยร้อนนะเป็นพลังฝ่ายบวกร้อนแดงถ้าภาวนาแล้วก็หนาวเยือกเข้ามาแนละ้วนี่พลังมารมาลนะแล้วตอนนี้หลวงพ่อยิ่งภาวนามาเรื่อยจิตอ่ะก็จะคิดว่าการมีลูกและสามี ขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเอาแค่นั้นหรอแต่ยังเหลือตัวเองในชาติต่อๆไปเอาแค่ไม่มีลูกกับสามีก็ยังดีค่ะยังมียังไปด้วยตัวเองดีดีดีแล้วล่ะถ้าไม่มีสามีได้ก็เป็นบุญนะสามีก็คือเจ้ากรรมนายเวรลูกก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะเราก็รับวิบากอ่ะแต่สามีก็ดีนะคะยังหาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ยังคิดอย่างนี้อยู่ สามีหาเลี้ยงยังจะบ่นอีกเหรอ <c oughs> <c oughs> ดีกว่าต้องไปหาเองไงสามีเลี้ยงเราภาวนาได้บุญนะเป็นภรรยาที่ดีดูแลเขาด้วยตอบแทนนะเราก็ภาวนาเราภาวนาเราสดใส น, นะบางวันเขาบางทีนะเขาก็จะสนใจภาวนาบ้างคราวนี้เลยภาวนากันทั่งบ้านเลยใช่ค่ะสามีเ็าภาวนา เ, เป็นบ้านที่ดีนะอย่างนั้นนะ แล้วตอนนี้หลวงพ่อหนูอะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนชอบเห็นเพื่อนเนี่ยชอบไปคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ภาวนามาสักพักหนึ่งก็มันเหมือนถอยออกมาแล้วหนูก็พยายามเข้าไปคุยเขาไปคุยเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจืดใช่มันมันเหมือนกับว่ามันเบื่ อ, อไม่อยากคุยดีสาธุอย่าไปคุยเสียเวลาขอบคุณค่ ะ, ะหลวง่อไปอนมัสการค่ะหลวงพ่อ คือช่วงหลังภาวนาแล้วรู้สึกว่าตัวเองดราม่าน้อยลงค่ะแล้วก็วเวอร์เวน้อยลง อ, อแล้วก็เหมือนกับเราไม่มีอะไรจะพูดอะค่ะออมันผิดทางไหมครับรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆนะอย่างเนี้ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นใจเคลื่อนไหวแต่เราไม่ไปประคองจิตให้นิ่งๆนะเห็นตอนนี้ตื่นเต้นี่เลยไปประคองใช่ไหมใช้จิตธรรมดานี่แหละเห็นกายมันทางานเห็นจิตทํางานไม่มานยานะรู้ซื่อๆดี แล้วก็อีกข้อนึงนะคะหลวงพ่อคือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคือภาวนาในรูปแบบแล้วก็คือภาวนาจนลืมเวลาที่ว่าจะต้องปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนี้ไม่ทราบว่าเรายังอยู่ในสติปัฏฐาน4ี่หรือเปล่าคะตั้งนาฬิกาไว้สิถึงเวลามันก็ต้องทํางานนะคือมันก็มีเก้งเก้งแต่เราก็คิดว่าสมมติเป็นตีตีตต4ีสีมันเป็นตีห้แล้วแต่เรายังคิดว่ามันคือตีสีอยู่นะคะอ๋อเราเข้าใจผิดใช่ค่ะเข้าใจผิดไม่เป็นไร เมื่อทีมก็เข้าใจผิดได้นวัตสการค่ะครับนมัสการหลวงพ่อค่ะทรงการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายปีค่ะแต่เริ่มปฏิบัติจริงๆปีนี้นะคะออสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยจะส่วนใหญ่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะคะเวลาเดินจงกรมรู้สึกว่าตัวเองจะฟุ้งซ่านนะคะแต่ถ้าสวดมนต์เนี่ยจะ จิตรู้สึกว่าจิตจะรวมเร็วแล้วก็สามารถนั่งสมาธิต่อได้นาน อ, อยากจะขอหลวงพ่อช<ด>่วยชี้นนะชแนะนะคะเราถนัดแบบนี้เราก็ทำแบบนี้แหละนะแต่ว่าพอจิตเราสงบสบายแล้วนะออกจากสมาธิมาเนี่ยเราเห็นร่างกายกระใจเนี่ยเป็นคนละอันดูเลยร่างกายแั่จิตใจเป็นคนละอันร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูแล้วถ้าหากมันเห็น ความรู้สึกทางใจก็รู้เอาก็เห็นความรู้สึกทั้งหลายสุกทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับเพราะนั้นเวลาที่เราทำสมาธิแล้วนะั้นออกมาเราก็มาเจริญปัญญาต่อนะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองแบบติดติดในแบบสมาธิหรื อ, อว่ า, างทง <ำ S 1> ไม่ติดไหมคะทำได้นะแต่ว่า mm hmm. เจริญปัญญาให้บ่อย เห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนบ้างไหมแต่ละวันเปลี่ยนค่ะถ้าความรู้สึกยังเปลี่ยนอยู่ใช้ได้นะถ้าความรู้สึกคงที่สบายตลอดเลยเนี่ยติดสมาธิบางวันก็รู้สึกว่าเหมือนกับจิตเราจะนิ่งนิงทั้งวันอันนี้ทวี่มาดูกายเลยเห็นร่างกายมันทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเห็นร่างกายเดินไปเดินมานะอแต่ถ้าจิตมันเคลื่อนไหวได้ก็ดูความเคลื่อนไหวของจิตไป สมาธิเนี่ยถ้าติดเวลาติดสมาธิแล้วเนี่ยให้ดูกายอย่าไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆนะนแล้วเวลาดูว่าตัวเองติดสมาธิหรือเปล่าเนี่ยสังเกตที่จิตเลยถ้าจิตมนคงที่ตลอดเลยติดสมาธิแน่นอนอแสดงว่าวันที่จิตนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเราคือข่มให้มันนิ่งเอาไว้ใช่ เ, เราก็เป็นอย่างนี้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะเนี่ยให้หลวงพ่ออยู่สามวันก็ได้ นมสการธรรมชาตินะนำมาสการหลวงพ่อผมส่งล่าสุดนี่ส่งเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็คือเวลาปฏิบัติสมถะหรือว่าวิปัสสนานี่คือจะบางทีนึกนึกพูดโทรได้ก็พูดโธบางทีนึกอิติปิโสได้ก็อิติปิโสบางทีนึกเมตานังอนันหัก็ก็เอานั่น บางทีมั น, ม, นมันปนๆกันก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันยังปฏิบัติผูกหรือเปล่าอันนั้นมันสมถะนะบริกรรมมันก็เป็นสมถะแหละแต่เราบริกรรมแล้วเราคอยรู้ทันจิตเห็นจิตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อ ย, ยอย่างนี้เราเดินปัญญาคือถ้าเห็นรูปเห็นนามนะแสดงใจรักอะ่ะถึงจะเป็นการเดินปัญญาแต่บริกรรมก็เป็นเครื่องช่วยไม่ให้หลงยาวเช่นเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะหรือจะสวดมนต์อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไว้ อันเดียวเลยก็คือรู้ทันจิตจะสวดแบบไหนก็ช่างแต่รู้ทันจิตอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าสวดมลแล้วจับจดไปเรื่อยนะไม่ได้ดูรู้ทันว่าจิตเป็นไงด้วยเดี๋ยวก็พุโทโธเดี๋ยวอิติปิโสนั่นฟุง้งซ่านบางทีมันมันก็จะรู้เป็นพักๆนะครับผมก็เลยอาศัยว่าเอาเอ า, เอานิ้วเอามือเนี่ยลูบตัวเอารูปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปบางทีนึกนึกอะไรได้ถ้าใจมันเข้ามามันมันแปลว่ามันมีสติอย่างนั้นหรือเปล่าครับเอเอจะไป ดอย่ไปจงใจมากก็แล้วกันนะต้องให้มันเป็นธรรมชาติถ้าจงใจแบบจะต้องรู้สึกรู้สึกรู้สึกอะไรเงี้ยนะมันจะมากไปจนะตึงไปแล้วแล้วคือผมมีภรรยาแล้วครับไม่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติมันเป็นัยรุ่นนี่มันจะทํำยังไงอยากให้ชีวิตให้มันจะดีขึ้นอะไรนะปฏิบัติอะไรนะกา ร, การปฏิบัติอยู่ในอยู่ในคารวาสอะครับเอถ้าเรามีภรรยาแล้วเนี่ย หลวงพ่อ<ำ>ปฏิบัติตอนเป็นคราวาสนะแล้วก็มีภรรยาด้วยเรามีศีลไหมล่ะนะชิด น, นอกใจเมียบ้างไหมไม่ไม่ครับเออมีศีลไวนะ้นะทุกวันเราฝึกในรูปแบบมีสมาธิเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันคราวาสไม่ช้าหรอกนะในขั้นโสดาสกธาคาร์เนฆราวาสทำได้สบายเลยมันจะไปยากขั้นพระนาคาแล้วแล้วผมอยู่ในล่องใน้อย อย่าอย่าไปบังคับตัวเองเยอะนักก็แล้วกันนะกาบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อ, อส่งการบ้านรอบสามเดือนกว่านะคะพอดีช่วง 2-3 สเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าจิตโป่งโล่งเบาดีค่ะก็รู้สึกว่ามันจะเพ่งน้อยลงแล้วก็สบายมากขึ้นแต่ช่วงเดือนหลังเนี้ยค่ะมันมีแบบคือสมมุติว่าถ้าสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนจิตอีกดวงหนึ่งมันไปผุด เป็นคำด่าขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ อ, อยู่ในใจแต่ว่าปกติแล้วชีวิตประจำวันก็ไม่เคยพูดคำหยาบอะค่ะเราอย่าสนใจมันให้เรารู้ทันจิตของเราไปแล้วบางทีมันก็แบบสร้างภาพไปทำไม่ดีอะค่ะเออนั่นแหละให้เรารู้ทันจิตเช่นจิตตกใจรู้ว่าตกใจจิตนึกรังเกียจ ต, ตัวเองรู้ว่ารังเกียจคือลูกจาแบบ<ๆ>เหมือนใช้แรงดันให้มันหายไปอะค่ะอนั้นใช้สมาธินะ คือยิ่งกลัวก็ยิ่งมายิ่งตัวยิ่งมานะเพราะฉะั้นรักษาจิตแว่นเดียวเลยนะมันมันมาแนละ้วมดาก็เห็นเลยจิตบรรดาได้เองนะจเจริญตัญญามไปเลยแล้วส ม, มุติถ้าเกิดทําความสงบลูกจะใช้จับลมหายใจพุทธข้าวแล้วก็จับลมหายใจออกโทรอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะได้แต่ว่ามีสตินะไม่ใช่พุทธโทเป็นนกแก้วนกขุนอทองหรอกพุทโทแล้วรู้ทันจิตไป พุโทโธพุโทโธถ้าจิตหนีเรารู้พุโทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้พุโทโธแล้วเพ่งเรารู้คือเหมือนอาจจะแบบบางทีเราคิดว่าเราฟุงา้งซ่านเราก็เลยทําเพื่อให้จิตมันสงบอะคะ่ะได้อย่างนั้นได้แล้วก็มีจุดอ่อนหรือข้อแนะนําที่คนเพิ่มเติมบ้าคะมันยังไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวนะค่อยฝึกอีกแต่ก่อนมันติดเพ่งแรงกรับนมัส ก, การเจ้าค่ะคือปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยมีอยู่สองสามอย่างนะคะก็คือว่า ส่วนใหญ่จะเห็นจิตดิ้นรนในเรื่องถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็นอกุศลมาเนี่ยติดจะชอบบังคับอยากคิดอยากคิดอะไรทํานองเนี้ยค่ะเออห้ามไม่ได้ดอกะนะเราเวลาจิตไม่เกินอกุศล น, นะหนูดูลงไปเลยเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้จิตนี้เป็นอนัตตานะี่ยดูอย่างนั้นเลยตัวอนัตตาไปแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือจิตเนี่ยชอบอยากรู้มันก็เลยเครียด น, นะคะโแล้วก็เพ่งอยากรู้เนี่ยไม่ได้มันจะเที่ยวสแสวงหา หาไปหามาไปเจออะไรเขาก็ไปจ้องใส่มันค่ะแล้วดิบมันจะค้างแล้วก็ให้รู้ทันให้รู้ทันว่ามันอยากค่ะตัดตั้งแต่ต้นต่อเ น, น, นี่ยรู้ว่ามันอยากนะแล้วโง่ไว้โง่ก็ได้นะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องหรอกภาวนาเ น, นี่ยยิ่งโง่ยิ่งสบายดูซื่ อ, อค่ะเนี่ยบางคนอะไรปากเสียนะบอกว่าอ๋อถ้อ ง, งั้นต้องคนโง่โงามาเรียนถึงจะดีไม่ใช่นะหมายถึงเวลาเรียนเนี่ยรู้ไปซื่ อ, อไม่ต้องคนก้ามาก เพราะว่าเวลาเราค้นคว้าเนี่ยนะมันจะตกไปสู่จินตามายาปัญญาปัญญาจากการคิดใช่ไหมมันไม่ใช่ปัญญาจากการรู้เรากาลังทำปัญญาจากการรู้อยู่งั้นเราไม่หลงไปคิดนะี่จิตมันจะเป็นยังไงนะเรารู้อย่างที่มันเป็นเรื่อยไปไม่ห้ามนะไม่ห้ามมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะก็คือว่าจิตนะอย่างที่หลวงพ่อบอกคะ่ะว่าจิตชอบค้นคว้าแต่ว่าบางทีมันก็รู้รู้สึกว่า พอมันมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดรู้สึกว่าจิตมันมันหนักหค่ะแล้วมันมีความอยากมีความดิจิตมันจะวิ่งไปแล้วก็มีความอยากแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่าพอมันปล่อยเนี่ยค่ะจิตมันก็จะแวบขึ้นมาแล้วก็มันเหมือนรู้สึกว่ามันปล่อยคือจิตมันชอบพลว้ามันก็บางครั้งจิตที่ชอบพลว้าเนี่ยทำให้เสียเวลา เราไม่ได้เรียนอะไรมากหรอกเราต้องการเรียนนิดเดียวจำไว้นะต้องการเรียนนิดเดียวว่าสิ่งใดเกิดสิ่นั้นดับต้องการแค่นี้เองไม่ได้ต้องการความรู้อะไรที่เยอะกว่านี้หรอกขอบนีณค่ะตั้งหลักไว้นะขอบเขตในการเรียนของเราสิ่งใดเกิดสินั้นดับต้องการแค่นี้แหละกรามนมัสการหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติอยู่ในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำครับคราวนี้ก็ อยากจะมาสอบถามหลวงพ่อ <ทำ S 1> ว่าทำถูกแล้วสังเกตไหมขันมันแยกได้ครั บ, รบแยกขันเป็นแล้วขันมันแยกแล้วเห็นไหมขันมันทํางานได้เองคนั่นแหละเราเดินปัญญาอยู่นะครับแล้ววันใดที่ขันไปรวมเราก็ไม่ว่าแล้วก็พอนางของเราไปเดี๋ยวก็แยกใหม่นะทําถูกแล้วขอบคุณครั บ, รบการ ร, รัชการหลวงพ่อครับ เมื่อต้นปีผมได้มีโอกาสส่งขันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อก็ครุณาบอกว่าที่ทำในตอนนั้นเนี่ยผิดซึ่งซึ่งหลังจากนั้นก็ผมก็พยายามมาปฏิบัติอย่างสม่บเสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่จะถามก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมพยายามปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตปกติกับตอนปฏิบัติเนี่ย มันแยกส่วนกันนะครับยิ่งเราพยายามก็เหมือนกับมันจะแยกส่วนกันแต่จนล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าคือเราก็ปรารถนาว่าอยากกาเจริญสิในชีวิตวันให้ได้ดียิ่งขึ้นก็เลยเปลี่ยนการเพียรวิหารธรรมเป็นเออมตตาผู้นางกหลังเมตตานะครับก็คือบริกรรมพยายามบริกรรมต่อเนื่องก็รู้สึกว่าตอนที่ทําในรูปแบบกับชีวิตประจำวันก็จะใกล้เคียงกันมากขึ้น วันนี้ก็อยากจะสอบถามว่าที่ผมทำอยู่นี่มีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมครับสังเกตไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมโอเคครับแต่เนี้ยขันมันแยกเป็นเราเดินปัญญาได้นะครับทาไปทาถูกแล้วละครับแล้วถ้าทําถูกแล้วเราจะพบว่าการปฏิบัตินั้นเป็นอันเดียวรวดเลยครับนะไม่มีแยกส่วนหรอกครับนะหัดใหม่ๆก็ยังแยกอยู่สุดท้ายแยกไม่ออกหรอกครับเป็นอันเดียวรวดเลย ทำตัวแนละ้วผมมีนิดนึงครับคือปกติผมจะบริการมไม่ได้ก่อนหน้านี้นะฮะแต่หลังๆเนี่ยพอเริ่มทําไปมากขึ้นก็แต่บริการหลังๆเนี่ยช่วงแรกๆที่เริ่มบริการที่เริ่มเข้าที่เนี่ยวาจะรู้สึกดีมากอันนี้อัน น, น, นี้คือจะรู้สึกถึงบางบางครั้งในบางช่วงเนี่ยจิตมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาต่อเนื่องพอสมควรก็รู้สึกมีพัฒาการแต่ช่วงหลังๆพอเราเริ่มรู้สึกว่าดีแล้วเนี่ย หลังๆก็จะเริ่มมันไม่เที่ยงะฮะแล้วก็หลังๆเนี่ยรู้สึกบางทีบริการมไปบริกรรมว่าอะไรก็ไม่รู้คือเราจะพูดว่าเมตตาอะไรเมตตาคุณาหลังเมตตาเนี่ยพอไปเรื่อยๆบางทีจับคําบริการมไม่ถูกแล้วซึ่งอย่างนี้ผิดใช่ไหมฮะต้องต้องไม่ไม่ผิดหรอกครับบางทีจิตมันสงบลงไปนะครับมันไม่สนใจคําบริกรรมแล้วล่ะ เวลาจิตรวมลงจริงๆคำบริกรรมจะหายไปครับก็พยายามทนต่อเนื่องนะครั บ, ร บ, รบขอบรคุณครับดีแล้ว น, นะนะเปลี่ยนไปเยอะเลยนัวัฒการหลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกก็เพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อแค่สามสี่เดือนอก็ยังไม่ ยังไม่ได้มีอะไรมาถามเต๋อก็อยากจะได้แนวทางการปฏิบัติแต่เขาปฏิบัติมาก็เห็นไหมว่ากิเลสมาได้เรื่อยๆดูกิเลสออกไหม<ะ>ถ้าดูกิเลสได้นะก็ภาวนาเป็นแล้วละ่ะเห็นไหมกิเลสมาได้เอง<ะ>นะไม่ได้เชิญเลยมาแล้วมาแล้วไ ล, ล่ลก็ไม่ไปทั้งทีเน่เฝ้าดูนะเห็นเขามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับอย่างนี้เร<ะ>าเรียกว่าภ<ะ>าวนา รู้สึกว่าความทุกข์มันห่างแล้วก็ทุกทีมันจะความทุกข์มากที่สุดอยู่นี้มันรู้สึกว่ามันมจะไม่ไม่ไปยุทึ์ถือกับความทุกข์อ๋อแน่นอนความทุกข์มันต้องห่างออกไปโลกทั้งโลกอย่างห่างออกไปเลยใช่เบื่อมากแล้วก็แต่ก็จะกําหนดรู้ว่าเบือ่อแล้วก็แต่เบื่อตัวนี้ยังโทษเจื้อโทษสาอยู่แบบไม่มีใครทำอะไรให้เราเห็นเขาทำอะไรกันอย่างนี้ยก็จะเบื่อหน่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าเบื่อเนี่ยยังครอบใจได้เนี่ยเป็นโทสะนะค่ะให้รู้ทันเอาโยมต้องปฏิบัติ ที่จะปฏิบัติมานี่ถูกต้องแล้วใช่ไหมเราเห็นกิเลสมากิเลสไปถูกแม่นอนใช่ไหมคะขันก็แยกแล้วใช่ไหมคะขันขันแยกเราดูออกไหมล่ะก็แยกสิแต่นั้นก็ดูออกแล้วมาสงสัยอะไรคถูกแล้วรู้สึกไหมหน้าเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกนั่นแหละบอกแล้วว่าพอขันแยกนะหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์หรอกค่ะ บางคนเรีว่าหลวงพ่อมีปฏิหารโอ้โหปฏิหารอะไรใครๆเขาก็ดูเป็นหน้าตาแต่เดิมเหมือนปลาตีนต่อมาหน้าตาแล้วผ่องใสเป็นเทพบระบุเทพธิดามันจะต่างกันตั้งเยอะดูง่ายจะตายไปเนาะเราชอบปิติอะค่ะฟังเทศฟังอะไรของพ่อของหลวงพ่อก็จะชอบปิติน้ำตาไหลตลอดเออเยะดีแต่ว่าอยาให้ปิติครอบใจได้ปิติมาก็รู้ทันนะมันก็ขาดออกไปมีบางคนนะ ปีติฟังที่รปีติน้ำตาไหลละทดละทวยอยู่อุ้ยเห็นแล้วเป็นบางครั้แต่ก็จะตามร<ว>ู้ค่ะต้องไม่ใ ห, ให้มันครอบใจได้ค่ะขอบคุณค่ะน้ำวิสการค่ะหลวงพ่อภาวนาะต่อเ น, นื่องทุกวันมาประมาณสองปียังไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อสองปีแล้วอะคะ่ะก็ ยังอยู่ในร่องในรอยคือคือเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจการภาวนามากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังๆสองสมเดือนที่ผ่านมาคลุกกบโลกมากเนี่ยไม่ทราบค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่มันไปมีโทสะกับอกุศลที่เกิดขึ้นในในใจอาหารพ่อในช่วงช่วงก็ใ ห, หงให้รู้ทันนะกุศลเกิดแล้วยินดีก็ต้องรู้อกุศลเกิดแล้วยินร้ายก็ต้องรู้ ถ้าไม่รู้ความยินดียนร้ายครอบจิตได้กระทั่งกุศลเกิดแล้วยินดีแล้วไม่รู้ยังใช้ไม่ได้เลยนะค่ะแล้วหลวงพ่อมีคอมเมนต์เพิ่มมีแนะนําอย่างอื่นให้แบบก็ขยัดูหน่อยก็แล้วกันนะดูเขาทํางานไปเรื่อยๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูเหมือนดูคนอื่นนะค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้จิตไม่ค่อยตั้งมั่นค่ะหลวงพ่อไม่ตั้งมั่นก็รู้เอานะขอบคุณห่อ เราก็ฟังธรรมแล้วก็ได้สมคันบ้านกันครบเวลานะครับลำดับนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลากล่าวคําถวายทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นการละนานเธอ ยะถาวะริวะหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวาเมีวะอิโตทินนางเปตานางอุปกระปติอิชิตังปติตังทุมหังจิปะเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาฉันโทปันระโสยถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินาสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายยโกภวะาอภาิวาธนาศีลิสนิจจังวุทาปัจจายิโนจ ต, ตารโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังสุเนี่ยวันนี้เขามีปัญหาเรื่องจอดรถนะแต่พวกเราขึ้นรถตั้งห7เจ็คันไม่มีปัญหาหรอกนับรองนะแตมขึ้นรถที่หลวงพ่อบอกให้ได้นะ ่าตกรถไปสซะก่อน